ทำดีแทบตายเขากลับเฉยๆหรือแอบเบปากให้มันไม่ได้อยู่ที่คุณทำอะไรให้เขาแต่อยู่ที่คุณทำให้เขารู้สึกอย่างไรต่างหากอุตสาห์ทําดีทำไมชอบเจอผ่านหาเรื่องอุตสาห์พูดดีทำไมเจอพูดไม่ดีใส่ตลอดอุตสาห์ใจดีทาไมกลายเป็นได้ใจเอาใหญ่ ดีด้วยทุกอย่างทำไมโดนร้ายกลับบางทีคาตอบมันอยู่ที่จุดเริ่มต้นทางความรู้สึกเข้าใจให้ถูกใช่ไหมว่าคนเราชอบอยู่กับคนที่ทำให้รู้สึกดีหรือมีความสงบใจนานๆการคิดว่าคนใจดีบางทีไม่ได้ช่วยให้เขารู้สึกดีเสมอไปถ้าคุณไม่รู้ตัวว่าตัวตนของคุณกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกแบบไหน ขึ้นมาในใจเขาหรือเธอคุณก็อาจงงไม่เลิกกรณีหนึ่งคุณทำให้เขารู้สึกถือไพ่เหนือกว่าเช่นคุณยอมตลอดมาตั้งแต่ต้นเพราะเห็นเขาหรือเธอเหนือกว่ามาตลอดถ้าไม่ยอมก็กลัวถูกทิ้งคว้างเช่นนี้ภาพรวมในใจของเขาหรือเธอคือคุณใจอ่อนคุณต้องมีเขา คุณขาดเขาไม่ได้ธรรมดาเมื่อคนเราเห็นใครยอมอ่อนข้อให้ตลอดก็ยอมถูกกระตุ้นให้รู้สึกเป็นเจ้าเป็นนายเป็นฝ่ายถือไพ่เหนือเป็นฝ่ายอยากได้ต้องได้ซึ่งนั่นก็ทำให้มองไม่เห็นความใจดีของอีกฝ่ายไปด้วยอีกกรณีหนึ่งคุณทำให้เขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนักโทษ เช่นตลอดเวลาคุณเรกรงครัดเข้มงวดตามจิตคู่ครองตลอดพอเขาหรือเธอนึกถึงคุณเขาจะนึกถึงผู้คุมแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนักโทษวันหนึ่งเมื่อเขาอยากผ่อนคลายพูดคุยกระจุงกระจิงกับใครบ้างพอคุณจับได้คุณวอยวายทั้งคืนจากนั้นตอนท้ายก็กัดฟันบอกว่าช่างมันเปล่าเนียยกให้เสร็จแล้วไปบอกใครต่อใครรอบตัวว่า ฉันใจดีชันให้อภัยทั้งที่น้ำเสียงยังคล่องในตา ย, ยังขุนเช่นนี้ภาพรวมแท้จริงในใจเขาหรือเธอนั้นที่แท้คุณใจร้ายตังหากคิดก็คิดร้ายๆพูดก็พูดร้ายๆแต่พอฝืนใจยกโทษให้แบบครึ่งๆกลางๆ ก, กลับชมตัวเองว่านั่นเป็นความใจดีอันนั้นเขาไม่มีทางเห็นด้วยเด็ดขาด คนจะรู้สึกว่าคุณใจดีก็ต่อเมื่อคุณมีความเข้มแข็งที่จะคิดดีไม่ใช่แค่จำจำคำคลายมาฝืนคิดอีกทั้งมีน้ำเสียงสดใสพอที่จะพูดดีไม่ใช่คิดร้ายแล้วกัดฟันทำเป็นผู้ ด, ดีแล้วที่สำคัญคือมีความงามสง่าในท่าทีอภัยผ่อนคลายจริงปล่อยวางจริงไม่ใช่กำเกรงตัวสัน่นเม้มปากพยักหน้าซึ่งเป็นภาษากายของคน แกล้งอภัยอีกกรณีหนึ่งคุณทำให้เขารู้สึกอิจฉาเช่นคนมีดีที่น่าอิจฉาหรือกระทั่งนาริษยาเขาอยากมีอย่างคุณแล้วมีไม่ได้เช่นนี้ภาพรวมในใจเขาหรือเธอนั้นคือรู้สึกว่าเขามีไม่ได้คุณก็ไม่น่ามีได้ แค่นี้ก็สมเหตุสมผลพอแล้วที่เขาจะร้ายกับคุณไม่ว่าคุณพยายามดีกับเขาขนาดไหนสรุปคือถ้าคุณใจอ่อนแต่นึกว่านั่นคือใจดีผลคือทำให้อีกฝ่ายได้ใจเห็นคุณไร้ค่าถ้าคุณใจร้ายแต่ทำเป็นใจดีจะไม่มีอะไรดีขึ้นหรือที่ดีอยู่ก็จะร้ายลง แต่ถ้าคุณแน่ใจว่าตัวเองใจดีในแบบที่คิดดีเป็นตัวของตัวเองแล้วไม่ถือสาหาความแล้วไม่หยิบเรื่องเล็กเรื่องน้อยมาเป็นอารมณ์แล้วเขาหรือเธอยิงใจร้ายกับคุณซ้ำๆอันนี้ก็เลิกถามได้ว่าทำไมเขาตอบแทนความใจดีของคุณด้วยความใจร้ายอย่างนั้นธาตุแท้ของคนใจร้ายคือร้ายได้หมดและใครจะดีหรือไม่ดีกับตนไม่ใช่เหตุผล ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของตนไปใจดีอย่างไรก็เป็นที่รักแต่ใจอ่อนนั่นแหละจะโดนเอาเปรียบใจดีไม่ได้อยู่ที่ทำอะไรให้แต่อยู่ที่ทำให้รู้สึกอย่างไรต่างหาก